แถวนี้ผีดุวัธนูคนองริตสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อนายนัฐพลอายุ28ปีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวอยากมาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งลี้รับที่ผมเคยสัมผัสมาเมื่อประมาณ3มปีที่แล้วเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมเอง ในขนาดนั้นผมเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายมีการแข่งขันค่อนข้างสูงซึ่งตัวผมเองก็แวดล้อมไปด้วยมิตรและศัตรูโดยเฉพาะศัตรูนั้นถือว่าน่ากลัวมากครับผมจึงต้องระวังตัวทุกฝีก้าวเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับตนเองแต่ผมก็คิดผิดเมื่ออันตรายที่น่ากลัวนั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นแต่มันกลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับผมเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง จนมาเห็นชัดเจนเมื่อคืนหนึ่งที่ผมนอนหลับไปแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวเหมือนเครื่องหลับครึ่งตื่นในกลางดึกพูดตรงๆคือผมเห็นผีครับเป็นผีผมยาวบ่งบอกเพศไม่ได้ว่าเป็นหญิงหรือชายเพราะดูยากแต่ผมยาวรุงรังมากร่างกายเน่าเละไปทั้งร่างที่สำคัญมันมากันสามตนเลยครับหน้าตาเหมือนกันเปียบมันค่อยๆคลานเข้ามาจากมุมซ้ายมุมขวาและตรงกลาง ผมกลัวจนทาอะไรไม่ถูกพยายามขยับตัวแล้วก็ไม่เป็นผลพยายามจะร้องแต่ร้องไม่ออกเหมือนอาการผีอำอย่างนั้นเลยครับมันคลานเข้ามาเรื่อยๆจนถึงตัวของผมแล้วมันก็รุมบีบคอผมครับผมหนักและหายใจไม่ออกพยายามตะโกนร้องสุดเสียงพยายามยกมือขึ้นมาปัดแต่ก็ยกไม่ขึ้นผมได้แต่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูย่ย่าตายายคุณบิดามารดาและพยายามร้องจนสุดเสียงอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าคราวนี้ได้ผล ผมรู้สึกตัวและหันไปมองรอบๆห้องจากนั้นรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟก็ปรากฏว่าไม่มีสิ่งใดเลยคืนนั้นผมได้แต่นอนเปิดไฟทั้งคืนเพราะความกลัวโดยที่ไม่รู้เลยว่าผีพวกนั้นมาเป็นผีประเภทใดกันแน่ทำไมจึงดุร้ายนักเช้าวันต่อมาจึงได้ไปทำบุญและรดน้ำมนตเพื่อให้สิ่งไม่ดีออกไปก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งและจากวันนั้นก็ยังไม่เจออะไรผิดปกติจึงคิดไปเองว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวร หรือผีสางในบริเวณนี้อยากได้ส่วนบุญมากกว่าจนผ่านไปประมาณสามสัปดาห์ผีพวกนี้ก็มาปรากฏตัวให้ผมเห็นอีกครั้งในวันโกนผมได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนเป็นระยะระยะด้วยความที่ผมพักอาศัยอยู่เพียงลาพังจึงต้องรีบออกไปดูเกรงว่าจะมีโจรผู้ร้ายเข้ามาในบ้านผมจึงเปิดไฟให้สว่างทั่วบ้านแล้วเดินไปตามเสียงของหมาที่กาลังเห่าอยู่หลังบ้านครับ เมื่อเปิดประตูออกไปดูปรากฏเห็นผีสามตนลนักษณะเหมือนเจอในคืนนั้นเลยแต่คราวนี้มันยืนหันหลังให้ผมแบบเรียงหน้ากระดานและเดินหายวับเข้าไปในรั้วบ้านอย่างรวดเร็วผมตกใจมากครับแม้จะเป็นการเห็นเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำเอาขนลุกสู้ไปทั้งตัวส่วนหมาก็ทั้งเห่าทั้งหอนขนตั้งทั้งตัวเหมือนกันผมว่าคราวนี้คงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วละครับคืนนั้นทำเอผมกระสับกระส่ายมากเพราะไม่รู้จะทายังไง จึงได้แต่นึกถึงที่บ้านที่ต่างจังหวัดเพราะได้ยินว่าคุณตาทวดมีของดีทั้งพระเครื่องและเครื่องรางที่พอจะเอามาไว้ป้องกันตัวได้ผมไม่เสียเวลาครับขับรถไปนในคืนนั้นเลยเพราะถ้าปล่อยไว้อาจจะทำให้ผมเสียสติหรือเป็นบ้าได้ถ้าเจอพวกมันมาหลอกหลอนใยผมขับรถนานกว่าห้าชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่บ้านที่ต่างจังหวัดก็เกือบเช้าพอดีผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่บอกว่าถ้าทางคงไม่ดีแล้ว ถ้าเจอผีในลักษณะนี้อาจเป็นไปได้ว่ามันคือผีที่ถูกสะกดมาหรือโดนบังคับมาให้ทำร้ายผมโดยเฉพาะประเภทหมอผีต่างๆที่เลี้ยงผีร้ายไว้ก็จะใช้ผีมาทำงานแบบนี้ลหละครับและที่คุณแม่ของผมทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะแกเป็นคนปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งคือแกเรียนรู้วิชาและเรื่องราวต่างๆมาจากคุณตาทวดทาให้แกพอจะทราบได้ว่าผีพวกนี้มันไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผีต้องอาคม หรือถูกมนสกดแม่จึงบอกว่าเครื่องรางของทั่วที่มีอยู่ก่อนแกจะเสียชีวิตและฝากไว้ให้ลูกหลานมีหลายอย่างแต่ท่านก็ให้ผมเลือกเอาว่าชอบแบบไหนแม่ได้นำถาดขนาดใหญ่ลงมาจากหิ้งพระมีเครื่องรางหลายรูปแบบแต่ผมกลับสะดุดที่เครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งถูกปั้นด้วยขี้พึ่งมันดูเก่าๆยังไงพิกอยู่แต่ก็แปลกตาดีครับมันคือวัฒนูนั่นเองแม่บอกว่า วัวธนูตัวนี้ตาทวดปั้นเองและปลุกเสกเรียกวิญญาณลงคาถาอาคมเองด้วยครับคุณแม่ของผมเคยเห็นกับตาตอนเป็นเด็กๆว่าวันพระวันโกนวัวธนูจะออกมากินยอดมะพร้าวจากที่ตัวเล็กๆกลายมาเป็นตัวใหญ่สูงเท่ายอดมะพร้าวเลยพอเช้ามาก็จะเห็นว่าใบามะพร้าวนั้นขาดกระจุยกระจายเพราะวัวธนูไปกินนั่นเองครับ เครื่องรางวัฒนูนี้จะมีไว้เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีอถัฐนมนดําพูดผีปีศาจหรือถ้าใครคิดร้ายก็จะย้อนกลับเข้าตัวของผู้นั้นเองแม่บอกว่าวัฒนูช่วยเหลือชีวิตตาทวดมาแล้วหลายครั้งเพราะในสมัยก่อนจะมีการเล่นคุณใสมนดํากันมากมีการส่งพูดผีมาทําร้ายกันอีกด้วยแต่มันก็เข้ามาใกล้ตัวของตาทวดไม่ได้เพราะเจอวัฒนูไล่ขิดไล่ชนจนกระเจิงไปทุกครั้งหรือบางทีแค่ผีเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วล่ะครับ แต่แม่ผมบอกว่าทางที่ดีก็ควรแผ่เมตตาให้พวกผีเหล่านั้นบ้างเพราะหากเราไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหรือไม่ได้ทํากรรมอะไรต่อกันมาชาตินี้คงไม่มาเจอกันหรอกครับวัทนูแค่เครื่องป้องกันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่การขออโหสิ ก, กรรมและการแผ่เมตตาคือเครื่องป้องกันความอาฆาตพยาบาทอย่างถาวรจากนั้นผมจึงพักที่บ้านต่างจังหวัดอยู่ราวสองวันและในวันที่จะกลับกรุงเทพ ก็นำวัวธนูติดตัวมาด้วยพอมาถึงบ้านที่กรุงเทพแค่สองวันแรกก็เจอสิ่งแปลกประหลาดแล้วล่ะครับเพราะวันนั้นผมไม่อยู่บ้านแล้วก็ลืมวัวธนูไว้บนบ้านปรากฏว่ามีโจรขึ้นบ้านแต่โจรกลับหาทางออกจากบ้านไม่ได้ทรัพย์สินที่พวกมันเห็นอยู่ในห้องของผมไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือทองก็เอาไปไม่ได้พวกมันบอกว่าผมเลี้ยงวัวไว้ในห้องด้วยตัวใหญ่มากพวกมันโดนไล่ขิดลงมา ครั้นจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปก็เปิดไม่ได้อีกทั้งยังเจ็บตามเนื้อตามตัวเพราะโดนวัวไล่ขีดมันยังเปิดเสื้อให้ผมดูเลยครับเขียวไปทั้งตัวจริงๆเหมือนโดนอะไรขีดมาผมจึงถามมันว่าแล้ววัวที่เห็นเป็นยังไงมันบอกว่าเป็นวัวสีน้ําตาลเข้มๆมีกลิ่นคล้ายๆกับเทียนหรือสีพึ่งบนตัววัวเหมือนมียันอยู่ด้วยซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าวัวแบบนี้ผมจะเลี้ยงไว้ในห้องทําไมผมเนี่ยถึงกับตกใจและประหลาดใจกับสิ่งที่มันบอกเลยล่ะครับ พระวัวตัวนั้นที่พวกมันเห็นคือลักษณะของวัวธนูที่ปั้นด้วยคีบพึ่งตัวเล็กๆนั่นเองเหตุการณ์นี้ทําให้ผมรู้สึกมั่นใจในอิทธิฤทธิ์ของวัวธนูมากขึ้นจึงรู้สึกสบายใจและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งลี้ลับแต่ว่าสิ่งลี้ลับจะกลัวหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งจนในที่สุดมันก็ได้ปรากฏให้เห็นอีกจนได้ครับเพราะดูทีท่าแล้วคนที่คิดร้ายกับผมคงไม่เลิกราง่ายๆแต่ผมยังไม่รู้ตัวว่า คนที่ทำนั้นเป็นใครผมจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนวันพระใหญ่ข้างขึ้นอีกด้วยผมตั้งใจสวดมนต์และแผ่เมตาก่อนนอนจนเคลิ้มหลับไปในที่สุดพอหลับได้พักใหญ่ๆน่าจะราวๆหนึ่งชั่วโมงเหมือนมีอะไรมาไต่ที่ฝ่าเท้าข้างซ้ายทาให้ผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแต่ยังไม่ลืมตานะครับตอนแรกคิดว่าเป็นพวกมแมลงมากกว่าพยายามที่จะสลัดสลัดออกแต่มันก็ไม่ออก เพราะมันเหมือนจะไต่ามาเรื่อยๆจากฝ่าเท้าข้างซ้ายก็ลามมาฝ่าเท้าข้างขวาผมจึงลืมตาขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันลืมได้แค่ครึ่งเดียวอาการเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นคล้ายกับครั้งแรกที่เป็นแต่ก็เห็นภาพชัดว่าเป็นผีสามตนผมยาวรุงรังมือสีดำเล็บยาวตะกุยตะกายมาที่เท้าของผมเหมือนมันพยายามจะมุดเข้าไปผมตกใจมากแต่จะร้องก็ร้องไม่ออกช่วงเวลาแค่เพียงอึดใจนั่นเอง ผมเห็นอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนเขาวัวโผล่ออกมาจากข้างๆเตียงแล้วสักพักก็เห็นชัดเลยครับว่าเป็นวัวเีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่กว่าวัวทั่วๆไป 2-3 เท่ามันกระโจนเข้าขิดผีพวกนั้นเพียงครั้งเดียวก็กระเจิงหายไปในพริบตาพร้อมๆกับภาพของวัวตัวใหญ่นั้นก็หายไปด้วยผมรู้สึกตัวขึ้นมา ท, าทันทีแล้วลุกขึ้นเปิดไฟดูเห็นว่ารูปปั้นวัวธนูที่เอามาจากบ้านแม่ตกอยู่ข้างๆเตียง แต่สภาพยังสมบูรณ์อยู่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าวัวนูได้แสดงฤทธิ์ให้เห็นแล้วและคงขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปให้นับจากวันนั้นเป็นต้นมา<ๆ>ก็ยังไม่ปรากฏผีพวกนี้มาทาร้ายอีกเลยแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือผมรู้แล้วว่าใครประสงค์ร้ายเพราะสิ่งชั่วๆที่มันจะทำกับผมกลับย้อนเข้าตัวมันเองคนคนนี้เป็นคู่แข่งทางธุรกิจและผมสืบประวัติมาว่าเขาชอบเรื่องไสยศาสตร์มากมักจะไปหาหมอผี ร่างทรงตามสถานที่ต่างๆแต่ตอนนี้เขากลับป่วยยังไม่มีสาเหตุและหาโรคไม่พบอีกด้วยครับส่วนเรื่องที่ผีสามตนมาหลอกหลอนและพยายามจะเข้ามาในร่างของผมผ่านเข้ามาทางฝ่าเท้านั้นเพราะเท้าเป็นของต่ำผีชั้นต่ำหรืออาคมชั้นต่ำถ้าจะเข้ามาทำร้ายมันจะแทรกเข้ามาทางเท้าซึ่งเป็นของต่ำเช่นกันพอมันแทรกเข้ามาแล้วก็จะทาให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยบางคนถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็จะทาให้เกิดจิตหลอน เกิดภาพหลอนและร้ายที่สุดคือมาที่เข้ามาครอบคลุมจิตใจของเราผ่านผีสางพวกนี้ทำให้เรากลายเป็นบ้าได้ครับและถ้าเรากลายเป็นคนวิกลจริตขึ้นมาแน่นอนว่าก็ต้องมีผลต่อทางธุรกิจและคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคู่แข่งนั่นเองครับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้วัฒนูยังอยู่กับผมและผมก็รักษาดูแลเป็นอย่างดีตาทวดเคยมาเข้าฝันด้วยครับว่าดวงจิตที่สถิตในวัฒนูตัวนี้ เคยเป็นพี่น้องกับผมมาก่อนในชาติที่แล้วชาตินี้จึงมาดูแลปกป้องรักษากันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีจริงๆแล้วคุณล่ะครับเชื่อเหมือนผมหรือเปล่าหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ